มันไม่มีอะไรย้อมจิตจิตเป็นอิสระอยู่ที่เราฝึกนะฝึกเงอนมันสลัดจิตทิ้งไปเลยมอ่ะต่อไปส่งกันบ้านเชิญแล้วมัส ก, การหลวงพอ่อเจ้าค่ะเมื่อวานหลวงพอ่อดังๆัๆ<อ>งดดม่ดนหลวงพ่อบอกว่าติดติดนิ่งเออดีแล้วล่ะวันนี้แล้วก็ให้ไปดูกายก็ดู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 อย่างนี้ประคองพอหลุดออกไปก็ไปแล้วประคองไว้ก็มามีไปมีมามีข้างในมีข้างนอกใช้ไม่ได้ของปลอมอ่ะต่อไปอยากไัการของหลวงพ่อผมส่งการบ้านครั้งล่าสุดเ่ตุลาเดปีที่แล้วครับหลวงพ่อชี้ให้เห็นจิตเพราะว่าจิตที่ไม่มีกิเลสครอบงอะครับหลวงพ่อบอกให้ไปภาวนาสบายสบาย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 ภายในหเดือนเนี่ยมันก็ดีบ้างเสื่อมบ้างอืแล้วความยินดีร้ายกับดีเสื่อมมันก็ลดลงเรื่อยๆอะค่ะแต่มันก uh, okay. ็ย yeah. well, yes. so ังเป็นแต่ว่ามันมันก็ลดลงเห็นมากมากเข้าแต่เป็นกลางะมันเห็นอะทุกอย่างชั่วคราวไปหมดถ้าใจมันยอมตรงนี้นะใจเป็นกลางไม่ดิ้นเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างมาได้ก็ไปได้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 จับมันเอาไว้นะครับอย่าไปจับมัน <c oughs> ให้มันออกแล้รู้ว่ออกอย่าไปจับมันครับผ <c oughs> จับมันทําไมของไม่เที่ยงครับ <c oughs> อ่ะต่อ <c oughs> ไปนี่นาน้าทัดนมัศการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันนี้มีคําถามมาถามหลวงพ่อสองคำถามค่ะหนูยกมายอย่างนี้ <c oughs> ค่ะมีคําถามมาถามหลวงพ่อสองคำถามค่ะวันนี้คือที่ผ่านมา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 ตูกระจกใสอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วเราก็เห็นความไม่ดีของเขาตลอดเวลาแต่ทาไมใจเราเองเราไม่เห็นหรอว่ามันยึดเ อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็แบบไม่เห็นหรอว่าตัวเองก็น่าเกลียดเหมือนกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็เออคำถามที่สองก็คือเออหนูอยากทราบว่าหนูต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือกแก้ไขตรงไหนมั่งไม่คะที่ทำให้สม่ําเสมอไปนะเราทาได้แล้วรู้เท่าทันตัวเองดีค่ะในทํำอีก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 มัอนมันไปดูให้ชัดหรือเปล่าคะใช่ถ้าอยากดูให้ชัดอยากรู้ให้ชัดก็เพ่งนั่นแหละอะรู้สบายๆตามองเห็นรูปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันอหูได้ยินเสียงความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตรู้ทันเมื่อยตาเลยเห็นโยมทํานนรู้สึกโอ้มันไม่เมื่อยวะ่ะแสดงว่าของโยมต้องไปดูตัวประคองใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวอยากดีอะไปดูเถอะ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 ก็เห็นตรงนี้ค่อนข้างชัดขึ้นดีพัฒนาขึ้นนะ ด, ดีใจด้วยนมสัสการข้าหลวงพ่อช่วงนี้การปฏิบัติแย่ลงอใครอยากให้หลวงพ่อให้กันบ้านเสียใจไหมก็เสียใจ <c oughs> บ้างะแต่เดิมก็เสียใจเก่งไหมก็มีค่ะนี่สัยเรามันเป็นอย่างนั้นนะค่ะนะเราก็ดูไปเรื่อยนะเห็น <c oughs> แต่ของไม่เที่ยง <c oughs> เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลง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 ไล่เข้าไล่ลงไปตอนนี้ช่วงนั่งสมาธะะิจะสงสัยที่ว่าเวลาเรานั่งดูพุโทโธแล้วลมหายใจไปด้วยะคะ่ะมันก็จะมีปางวาณสักสิปนาทีมันจะเหมือนมันจะเข้าไปอยู่กับที่ ท, ท, ที่มันเคยอยู่เออแนะค่มันอยู่ไปแล้วมันก็มันก็ขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นแต่ว่าไม่แ<ม>น่ใจว่าอันนี้เป็นกรสมัคะไม่เป็นสมัคจิตเข้าพักนะ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 โยมไม่มีการบ้านจะส่งอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วโยมปฏิบัติอยู่นะคะยังภาวนาอยู่แต่ยังไม่ได้ติดขัดอะไระคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะะมันจะจิตมันจะลงไปคุกกอรกิเลสมากะคะ่ะแล้วก็รู้ตัวเองว่ามันภาวนาต่ออยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้อะไรที่โยมทำอยู่มันผิดอยากกราบขอกันบ้า น, นะะไมยคราว่าตรงตไหนไผิด